พระธรรมเทศนาลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าปู่สอนหลานอาจารย์สอนสิทธิวันนี้เป็นวันที่26กันยายนพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันแรม14ค่ำ เดือนสิบพระสงฆ์ที่เข้ามาศึกษาที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเห็นหมู่ศึกก็ศึกเหอไปตามโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลหลวงพ่อสอนหลักเหตุผลทุกวันตั้งแต่เข้ามาสู่วัดควรจะพิจารณาอย่างไรควรจะทำอย่างไรคิดอย่างไรให้มีเหตุมีผลการสั่งสมคุณงามความดี อันหนึ่งเป็นไปเป็นฆรวาสอันนึงเป็นพระช่างน้ำหนักดูเราไปเป็นฆรวาสแล้วได้อะไรดีอะไรมีประโยชน์อะไรเราลำลำลงทรงศาสนาไปประพฤติปฏิบัติทาไปได้อะไรเสียอะไรมีประโยชน์อย่างไรในอนาคตสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาทั้งนั้นพอหลวงพ่อเองเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาอย่าง อกกลิตก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้่ไม่ใช่ว่าเหอไปตามหมู่ไปยังไงไปยังไงไปตามหมู่ตายตามหมู่ตายตา ม, ม, ตาตามพวกโง่าตามหมู่โง่าตามโง่าตามพวกตามเพื่อนไปโง่ไปเรื่อยหก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลทำอมนนี้เพื่ออันนั้นทำอมนนั้นเพื่อนนี้ ได้หรืเสียสิ่งเหล่านี้มันต้องได้บวกลบคูณหารดูกันทั้งหมดเพราะชีวิตของเราใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากตัวของเราตัวของเรานั่นแหละจะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเราจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเราอันนี้เราต้องถามเราเพราะนั้นการดําเนินชีวิตเมื่อเราเป็นนักบวชเราจะอยู่ในศาสนาจะทรงศาสนาได้อย่างไร เรปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรถ้าหากผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจภาวนานะก็ไม่มีปัญหาตั้งใจภาวนาเหมือนกับเกาะติดไปเลยจากนั้นก็เห็นโทษเพราะตัวตัวเองผ่านมาแล้วมันได้อะไรแหมาราที่เราได้ที่เราผ่านมาแล้วนะเราทำอะไรเราได้อะไรแต่มาเรามาบวชนี่มันเป็น ย, าายังไงแหมมันปล่อยวางยังไงมันได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้พวกเราก็น่าจะบวกลบคูณหารดูอีกเหมือนกันในขณะที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ขอร้องให้อยู่และไม่ขอร้องให้ศึกให้อยู่ก็ไม่ขอร้องถ้าคนไม่มีศรัทธาคนไม่เชื่อแล้วขอร้องให้อยู่ก็ทําลายพระศาสนาเข้ามาอยู่ก็เป็นขยะของพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่แล้วก็เก้กเก๊กกลางๆเพื่อเพื่อทำความชั่วเสียหายเกิดในาศาสนาอีกเพราะไม่เชื่อ มีศรัทธาเราก็ไม่ใช้ปัญญาอีกต่างหากอยู่แบบแตะเค่เจระเค่ขังขวางคองลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเราต้องการคุณภาพในพระพุทธศาสนาแต่ที่เราสอนเราสอนให้ฟังอ้างเหตุผลให้ฟังให้ผู้ฟังเข้าใจทุกคู่ทุกคนที่มาเกี่ยวข้องสอนให้เข้าใจสอนให้รู้เรื่องของพระพุทธศาสนา แต่บางครั้งกับหลวงพ่อก็ท้อใจเหมือนกันถึงจะสอนยังไงมันก็ไม่เข้าเหมือนสาดน้าใส่หลังหมาอย่างนั้นพวกเราทดลองเนยจับหมาและสาดน้าใส่มันเป็นงไงมันจะบัดเพิ <c oughs> <c oughs> มันก็เดินดุยดุยหนีนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเองมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นวันนี้จะพูดเรื่องอะไรจะให้พวกท่านได้ฟังได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง ดำเนินชีวิตของตัวเองจะเป็นช่องทางที่จะเห็นทั้งคดีโรคและคดีธรรมควรจะให้ความคิดอย่างไรในวันนี้ไม่ใช่ว่าจะปลุกปับคิดได้ทีเดียวไม่ใช่นะให้พวกท่านคิดดูซิถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อหชี้ให้พูดแต่ละองค์สามสิบนาทีเอาองค์นี้พูดให้สามสิบนาทีเอาองค์นั้นพูดด้วซี่สามสิบนาทีแต่ละเช้าพูดอย่างหลวงพ่อพูดเนี่ละ พวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีดกันแล้วกันพวกท่านจะพูดได้ไหมถ้าพูดได้เอายกมือขึ้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พูดสักวันหนึ่งนี่แหละก่อนที่จะพูดก่อนที่จะแนะนำอ้างเหตุผลให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ของคิดได้มาได้ง่ายๆว่าคิดเราจะพูดเรื่องอะไรให้แก่ลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาศึกษา แต่พอพูดให้ไปแล้วนี่พวกท่านทั้งหลายบางคนก็เป็นไม้เบือ่อไม้เมาอีกต่างหากไม่อยากจะฟังอีกต่างหากเบื่อหลวงพ่อพูดอีกต่างหากแต่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นรีบหนีไม่ควรจะอยู่หนีให้เร็วที่สุดเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อยู่ไปก็อยู่ไปอย่างนั้นเสียข้าวของชาวบ้านเขาเสียเสยนาชนะของหลวงพ่ออีกต่างหากแต่ถ้าว่าผู้ใดตั้งใจ ศึกษาฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ อ, อ น, นันต์เหมือนกับป่วยล่อแน่แต่ก็ยังกินยาอยู่ก็ยังมีความหวังว่าอีกสักวันหนึ่งเข า, เาถึงจะไม่หายทีเดียวก็คงจะสืบชีวิตขอ ง, อของเขาอยู่ได้นานพอสมควร เพอๆอาจจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็ได้เพราะเขากินยาฮแต่ถ้าว่าไม่กินยาเม้มปากีแล้วเนี่ยมีจตะจะไปลูกเดียวเอออันนั้นไม่เกิดประโยชน์เหมือนยิ่งกว่าสา์น้ำใสหลังหมาอย่างที่ว่าอีกสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อไม่ใช่ไมหลวงพ่อไม่คิดนะพอหลวงพ่อเป็นหัวหน้าปกครองมาไม่รู้กี่รุ่นแนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวญ ไม่ใช่หลวงพ่ออยากจะพูดนะถ้าวังไม่พูดก็ไม่รู้จะพูดเวลาไหนแต่ละวันก็ทาให้พูดตอนเช้าจะพูดเวลาใดมันไม่มีเวลาที่จะพูดเพราะเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนก็มาเกี่ยวข้องก็หลายระดับก็ต้องแบง่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายพระกระยาให้ขาดตกบกพ่องบางทีก็ประชุมในระหว่าง บางทีองประชุมในวันพระนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็หลงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าวัดก็ต้องได้คิดเหมือนกันพอมา ถ, ถึงจุดนี้แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นหัวหน้าจะได้มาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวก็เหมือนพวกท่านทั้งหลา ย, ยอยู่กับครูบาอาจารย์เงียบฟังศึกษาอยู่กับหลวงปู่ล่าเนี่ย ท่านสอนหลวงปู่ลานจะสอนมากกว่าเพราะเหตุไรพราะพระไม่มากอยู่กับหลวงปู่ลานมีองค์สองสามองค์เราก็เป็นเป็นเนนเป็นเนนใหญ่เป็นเลนกับท่านเดินตามหลังท่านแล้วก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แนวความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ชั้นเชิงอย่างนั้นอย่างนี้ภาคปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทำอย่างนั้นอย่างนี้อยู่กับหลวงปู่มั่นเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ได้ฟัง แต่สมัยนั้นยังเป็นเด็กพอฟังแล้วบางทีก็เบื่อเหมือนกันพูดอะไรซ้ำๆสักๆหน่อแต่ตามไม่จริงท่านก็พยายามสอนเน้นแต่ในนั้นที่พูดแต่ละครั้งก็มีมุมมีมุมใดมุมหนึ่งที่มันนอกเหนือจากที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราก็ได้ฟังนะแต่มาถึงคราวนี้พอเป็นพระที่เป็นหัวหน้าขึ้นมาเราเองก็ยกมือท่วมหัวอีกเหมือนกันโอ้ ท่านเจตนาท่านอยากจะให้เราศึกษาจริงๆท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรในมิตรท่านให้ท่านประสิทธิ์ประสาทให้ท่านถ่ายทอดวิชาที่ความรู้ที่ท่านมีรู้อยู่ท่านรู้ท่านได้ศึกษามาแล้วอย่างไรท่านก็พยายามถ่ายทอดให้แก่เราแต่เราในเหมือนกับหมาจริงๆเนีท่านสาดน้ําใส่หลังเราจะบาดเอาสะบาดเอาได้เราก็นับว่าได้พอสมควรจากองค์หลวงปู่ลาท่านสอนเหมือนกับปู่สอนหลานจริงๆ แต่มาอยู่กับหลวงตามหาบัวเนี่ยอันนี้อาจารย์สอนสิทธน์ปู่สอนหลานอาจารย์สอนสิทธ์ต่างกันอย่างไรปู่สอนหลานเนี่ยคล้ายๆว่าหลานไม่พอใจอยังไงปู่ก็พยายามยัดเยียดใจดีฮะนะอย่าทำอย่างนั้นนะนั้นบางทีก็ดูเอ๊จะไปทําอย่างนั้นสิแต่ทียังไงมาเออเอาตงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะให้ ข, ข้ า, ขาว่าหลวงปู่ล่าจะลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆว่าปู่สอนหลานได้บัง่งเสียบัง่ง ท่านก็ใจดีพยายามบอกแต่ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะบางครั้งโอโหนากรัวเหมือนกันแต่ก็ดีแต่หลวงตามหาบวรอาจารย์สอนสิทธาหาว่าเห็นองค์ใดก็ตามกินเก๊กางๆท่านสิชี้นิ้วทันทีอย่าให้เห็นอีกนะอย่ามาเก๊กางๆแถวนี้นะหนักใจนะหนีนะอย่ามาอยู่นะเราไม่ต้องการน้ำพระงโงๆเสื่อๆอย่างนี้ยนะ อย่างนี้อย่ามาอยู่นะนักวัดนะคำเช่นนี้จะได้ยินบ่อยกับอยู่ยกับองค์หลวงตาเพราะาอะไรเพราะท่านเน้นหนักท่านสอนสิทธิอยากจะให้สิทธิ์ของท่านนี่เป็นก ฎ, เ ป, นกฎเป็นเกณฑ์มีกำลังแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะได้แนะนำสั่งสอนคู่คน<ม>ก็จะได้มีกฎเกณฑ์ยึดแนวแถวของท่านเป็นแนวปฏิบัติเนว่าอาจารย์สอนสิทธิ์นี่แหละ สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองได้ได้ฟังได้ศึกษามาพอสมควรไม่ใช่พอสมควรมากทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่พวกคณะศิษยานุสิษย์แต่ทั้งก่อนหลวงพ่อเองก็คิดเหมือนกันพอถ่ายทอดไปแล้วก็เข้าไปอวกาศไปเข้าลมเข้าแรงไปแต่ทีนี้หลวงพ่อก็ยังมีความหวังอยู่ว่าถ่ายทอดออกไปแล้วยังอยู่ในเอ็สา อยู่ในเทปก็ยังเกิดประโยชน์ต่อไปภายภาคหน้าแต่หลวงพ่อก็ฟังอีกเหมือนกันที่หลวงพ่อถ่ายออกไปแล้วนี่หลวงพ่อก็ฟังเสียงหลวงพ่อเหมือนกันในเอ็มพีสว่ามันมีผลได้ผลเสียอย่างไรผิดไหมถูกไหมมีเหตุผลไหมทําร้ายทําร้ายใครอื่นไหมในการให้คําแนะนําไปนั่นแต่หลวงพ่อฟังแล้วเป็นเหตุผลเหตุผลจะมากกว่าแต่บางทีก็ซ้ํำซากไปบ้าง แต่ถึงยังไงถึงจะซ้ำซากอันนั้นก็เป็นอุปนิสัยและเป็นแนวความคิดแต่ละแต่ละองค์แต่ละคนจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้จะให้ฉะฉานทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ฟังแล้วก็ถ้าฟังเอาเนื้อหาสาระฟังเอาแนวแนวความคิดแล้วหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังไม่น้อยทีเดียวแต่ถ้าว่าฟังเอาคําพูดตัวเสียงสําเนียง หรือภาษาทำไมไม่มีตัวรอทำไมไม่มีตัวชอทำไมไม่มีอะไรแ อ, อย่างนี้ถ้าไปฟังเอาอย่างนั้นน่ะแปลว่าการฟังของหลงพ่อเนี่จะตำหนิไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าฟังเอาเนื้อหาสาระจุดหมายที่ท่านพูดในเรื่องนี้เพื่ออะไรจากนั้นฟังแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วก็จุดพอเหมือนกับเราไปพูดไปฟังเกลียงพูดอย่างน้น หรือไปฟังภู้ไทยพูดอย่างนี้หมือไปฟังลาวพูดอย่างนี้จะเป็นภาษาไหนก็ตามถ้าเป็นธรรมะเราเอาแต่เนื้อหาสาระธรรมะเท่านั้นเราจะไปพูดเอาภาษาของเข า, เขาไม่ได้ถ้าเราถ้าเป็นธรรมถ้าใจของเราเป็นธรรมเราต้องคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เป็นธรรมก็อย่างว่าทําไมไม่พูดให้มันถูกต้องอตามอากาักษรฐานกร อ, อะไรจะไปพูดได้ยังไงเพราะเราไม่ได้เกิดกับภาษา ใครเป็นคนแต่งตั้งภาษาจะให้พูดถูกทุกภาษาได้เหรอก็พ่อฟังเข้าใจกันได้แล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่แหละสมัยหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปู่ล่าก็เหมือนกันหลวงพ่อเนะี่ยไม่ใช่ว่าโอ้หลวงพ่ออินเนี่ยเคยอยากจะสึกไหมแต่สมัยบวชมาแล้วตั้งแต่หลวงพ่อบวชมาเนีเคยอยากจะสึกไหมโอ้โหเกือบไม่รอดเหมือนกันและหลวงพ่อแก้ไขอย่างไร นี่แหละเดีย๋ยววันที่จะอยากจะสึกคือวันพรุ่งนี้เป็นวันปงผมเออใช่แล้วมันอัดนั่นตันใจมานานแล้วแล้วก็ทั้งภายนอกด้วยตัวเองก็คิดด้วยผลที่สุดก็นั้นติดดูดูแลเห็นหมู่เห็นเพื่อนสนุกสนานเพลิดเพลิน เ, นเนที่ยวเล่นอันนี้มันเรื่องกิเลสทั้งนั้นถ้าพิจารณาดูย้อนหลังเ่มันได้อะไร จากนั่นก็พอเห็นเขาแล้วกันนะมาเปรียบเทียบกับตัวเองไอก็พี่เขาก็อยากจะให้ศึกด้วยใ่ไหให้ไปทำมาค้าขายสรุปแล้วคือเขาอยากจะให้เขาจะไปตั้งรงศีกลางจะให้ตัวเองเป็นเท่าแก่ตรงศีรักษณะอย่างนั้น เ, เราถ้าเขาลงทุนให้นะเรา็น่าจะไปทดลองดูน ะ, ะเนี่ยพี่น้องก็มีอยู่เป็นไปได้ ความคิดอจากนั้นก่อนได้ที่เลยเข้าไปกราบหลวงปู่ลาแล้วขันสนอกเลยวงั้นอะอย่างวันผูปุ่งนี้เป็นวันปงผมใช่ไหก็พูดตอนเย็นวาเนี่ยหลวงปู่ครับผมอยากจะลาศึกครับหลวงปู่ก็สะดุ้งโยงเลยแนี่ยชวนั้นเป็นอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีใช่ไหมละ่ะตัดก็ไม่เคยคิดมาก่อนท่านก็ไม่รู้มาก่อนว่าเราจะลาสิกขาฮะไปงไง่ะ ทำไมเป็นอย่างงั้นท่านก็บอกใครมาบอกว่าฮะใครมากล่าวว่าฮผู้ท่าก็หาเหตุผลผลในสุดผู้เท่าปดจนปัญญาเหมือนกันจากท่านกับเอาพ่อแม่ขึ้นมาเยขึ้นแม่ขึ้นมาเออจะฉึกเนี่แหละวันนี้แหละพวันพุ่งนี้วันที่เป็นวันปงผมน่ะฮะอผลในสุดพ่อแม่กันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งแม่กร้องให้น้ำพ่อก็น้ําตาซึมเหมือนกัน แม่ก็เลยขอร้องว่าเออถึงครูบาเป็นเนนมันจังหลายปีสี่ห้าหกปีแล้วสีห้าปีแล้วหกปีแล้วอดไปอีกสักหน่อยไม่ได้เด้อลูกให้เป็นพระให้แมออ่ให้แม่ได้เห็นผ้าเหลืองเป็นพระภิกษุให้เป็นพระพเระ ก, ก่อนถ้าสึกออกไปก็เป็นเสียงเท่านั้นเฮเป็นเสียงคือจางไหมคือถ้าสึกถ้านเนนสึกเขารวเป็นเสียงถ้าพระศึกก็กว่าเป็นเป็นทิดใช ถ้าบวชหลายปีเลยเพรว่าอาจารย์จาน่ า, าจานจังจานหนูหนาเนี่ยบวชหลายปี่พราะว่าจานอาจารนหนูหนาเนี่ยอันนี้เขาก็อยากจะให้หลวงพ่อเป็นทิศวันนั้นเถอไม่ให้เป็นเสี่ยงวันนะัแม่ก็ร้องไห้น้ําตาหลั่งไหลแต่นี้ก็หลวงปู่ท่านก็บอกว่านี่นะเราออกไปเป็นฆราวานะการเลี้ยงชีวิตของเรา เราค็คิดดูให้ดีซิมันต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฆ่ากบฆ่าเกียดรับปูข่าปลาฆ่าไก่ฆ่ า, าอะไรเป็นอาหารชีวิตของเราอน่นี้เรามาบวชในพุทธศาสนามีแต่ให้อภัยมีแต่บำเพ็ญกุศลเราไม่เด็เเบียดเบีย น, นสัตว์อื่นเลยเถึงคนอื่นเขาทำบุญ เ, ออเราอุทิศส่วนกุศลให้แผ่เมตตาให้เขา ที่เขาทำบุญทำทานให้เขาได้บุญได้กุศลที่การทำบุญเพราะเราเป็นผู้รักษาศีลอยู่ในวงในแล้วก็เราบาเพ็ญภาวนาด้วยเราจะไปทุกข์ร้อนทำไมถ้าไปเป็นกระวานก็เออใช่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียกับเขาอันนั้นมันก็เรื่องของกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดผลที่สุดก็แก่เจ็บตายจะหาอะไรเป็นสารประโยชน์ได้ในชีวิตของแต่ละคน แตและชีวิตคิดดูให้ดีสิคิดให้ยาวที่นี้หลวงพ่อก็มาคิดมาสลดใจตรงที่ว่าอืใช่ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยถ้าขนาดฆ่าเป็นเด็กอายุสิบเอ็ดสิบสองปีตั้งแต่สิบปีขึ้นมาเนี่ยเราได้ฆ่ากบฆ่าเขียดไม่ใช่น้อยเหมือนกันเออฆ่าสัตว์แต่สัตว์เหล่านั้นอนะ่ะมันเจ็บปวดไหมที่เราฆ่ามันถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเหมือนกับเราฆ่ากบฆ่าเขียดนะี่ เราจะมีความรู้สึกอย่างไรออใช่มันน่าสลดสังเวชใจจริงชีวิตของเราเนะี่ยทำให้เราจรึงไปทําความชั่วทําให้สัตว์อื่นเดือดร้อนถึงขนาดนั้นเนี่ยมันสวดสลดสังเวชในใจตึกในใจอา้าไม่สึกไม่สึกวะเออโดยตัดสินใจไม่สึกกทกครั้งต่อไปเออจากนั้นก็อยู่ ไม่พูดเรื่องศึกเลยแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดปีจนถึงเป็นพระนะอพอถึงเป็นพระนะี่คือพ่อแม่กันวันนั้นพ่อแม่กับลูกคูบาเอถึงยังไงก็พ่อแม่ขอให้ได้เป็นพระสะกักอนเอจะศึกก็ไม่พ่อแม่ก็ไม่ว่าเอาเลยนะจะศึกก็ไม่ว่าถ้าว่าลูกไปเป็นพระให้พ่อแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกที่เป็นพระแล้วถ้าเป็นเนนี่น้อยเกินไป แต่เป็นพราแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่เขาไม่ว่าปล่อยตามมัธยายสายให้เป็นความคิดของลูกก็แล้วกันแต่เดี๋ยวนี้ให้เป็นความคิดความ อ, อ, อ่านของพอ่อของแม่ไว้ก่อนนะลูกให้เชื่อเชื่อฟังไว้ก่อนหลวงพ่ออือ้อพ่อแม่ขอร้องเพียงเท่านี้ไม่ได้เล้วท่านเลี้ยงดูเรามาเท่าไหร่เราเอาแต่ใจตัวเองได้อย่างไรเมื่อพ่อแม่ต้องการเพียงแค่นี้ ก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนเอาอดจากนั้นหลวงพ่อก็อดเพราะจากนั้นได้เป็นพระเพราะเป็นพระเสร็จแล้วมาอยู่กับหลวงปู่จามเด่นพรรษาแรกอยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นพรรษาที่เก้านะเป็นเลนแปดปีเป็นพระหนึ่งเก้าปีอยู่กับหลวงปู่ล่าจากนั้นของหลวงปู่หลวงปู่จามหลวงอาจามมาจากเชียงใหม่ไปเยี่ยมแม่เยี่ยมโยมย่าของหลวงพ่อเลยอายุมากแล้วดังก็มาเฝ้าไม่มีใครเป็นเพื่อน ที่ไปเฝ้ากลางคืนท่านก็มาเทศให้โยมญาฟังทุกเย็นทุกเย็นมาเทศก็ไม่มีใครเพราะชาวบ้านเขาก็ยังว่ามีคิตุระภาระก็เห็นแต่หลานชายที่เป็นพระอยู่ท่านก็เอาเราก็ฉันมักใจเข้ามามาเป็นเพื่อนเพราะว่าโยมญาติท่า น, นก็มาเทศทุกเย็นเรื่องเล่าเรื่องนิทานเรื่องชาดกเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องภาวนาโยมเทศโยมแม่ของท่านเนี่ยเราก็ฟัง อยู่กับท่านนะั่ะพอต่อมาโยมแม่ยอมญาติตายไนงะยมย ม, ย, ยมแม่ของหลวงปู่อาจารนะ ย, ย์ยมญาตนะิวรณภาพอายุแปดสิบช่วงนีนะ้ช่วงประมาณแปดสิบกว่ากว่าท่านก็ไปไม่ตุอขึ้นเชียงใ ห, หม่ไหมเราจะหนีแล้วนะเราไม่อยู่หรอกล ง, ลงมาเยียบยมยมแม่เฉยๆนะเดี๋ยวนี้ก็จะไปแล้วอ่หลวงอาไปแตก็อยากจะไปเหมือนกันนะอยากจะออก เที่ยวเหมือนกั น, นอยู่กับบ้านเขาไม่ค่อยดีตอนท้อ ง, งอา้าเออเอาไปจากนั้นก็นเลยขโมยหนีเลยเหมนกันไม่บอกใครด้วยนะหลวงปู่จามนี่เก่งนะไม่กบอกไม่บอกใครเลยพี่น้องลูกหลานทำวันพันพวงนี้นะข้าจะไปนิคมคำสร้อยนะต่างเมียผู้ใหญ่จูมถามมาอ้าลุงลุงจะไปกี่วันแล้วเนะ<ห>ี่ยมึงจะถามกูทำไมวะ กูยังไม่ได้ไปจะมาหาถามวันกลับแล้วให้กูไปก่อนซิ <c oughs> ขู่เขาอีกต่างหา ก, กนะผลในสูตรเขาก็ให้ก็ไม่กล้าถามท่านเลยผลในสูตรนั้นนะออกจากนั้นก็ไปเลยขึ้นเชียงใหม่เลยจากนั้นทางก็ไปจําพรรษาที่วัดจีดีหลวง เ, เราหนีออกจากเชียงใหม่นานแล้วหลายปีแล้วเราจะจำพรรษาที่นี่นะตุนะไปขึ้นไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวนไปท่านเขาก็เลยไปสง่ง ขึ้นไปจำมันสาขารุงปู่แหวนไปอยู่ภาวนาอยู่ที่นั่นตามลําพังห่างไกลจากพี่น้องวงศาคณาญาติให้ขบัตโิโดดโดดเดี่ยวไปจากนั้นก็มีแต่ภาวนาปฏิบัติภาวนาเดือนยังกรมแต่ละวันถึงภาระมากเลยเราทําหน้าที่เนร์นทักผลิบัติหลวงปู่แหวนตื่นม า, าตั้งแต่ตีเอ่อตีสามวันตีสาตื่นมาตีสีลงมาต้มน้ําพอสว่างปัดกวาดบริเวณวัด จัดที่ศาลาแปลว่าทำหน้าที่ทุกอย่างต้มน้ำต้มอะไรทุกอย่างต้มน้ําสงต้งน้ําอาสงน้ําหลวงปู่อ<ม>แต่ตรงคนอื่นองค์อื่นไปเนะี่ยหลวงปู่หนูเนี่ยไม่ถูกใจว่างั้นแต่ไม่ถูกใจหลวงปู่หนูแต่หลวงพ่อไปเนะี่ยหลวงปู่หนูแล้วปล่อยวางให้หลวงพ่อปฏิบัติหลวงปู่แหวนเลยเพราะหลวงพ่อเคยเป็นเนนมาก่อนหลวงพ่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเราเข้าไปอยู่นะั้น พอตกตอนเย็นนุพ่อกัภาวนาเนี่แหละไปอยู่ที่นั่นเลยภาวนาไม่ได้รับรู้รับทราบจากใครทั้งหมดอยู่ตามลำพังจิตใจเขาสู่ความสงบเย็นสบายในปรรษานั้นจิตใจสงบได้จิตใจสบายมันรู้สึกว่ามันอยู่ห่างห่างไกลาจากวงสาคนายาตไม่รู้จักใครเนี่แหละหลวงพ่อจึงเห็นโอ้พระพุทธเจ้านี่ที่ท่านเนี้ยหนีออกจากเวียงวัง ไปอยู่ตามลาพังพระ อ, องค์อยู่แดนดินแดนกรุงราชคือที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาาทีแขวงพาราณสีเนี่ยไม่รู้จักใครเลยพระ อ, องค์ไปภาวนาข้าหอเวเห็นหน้าญาติเห็นหน้ามูหน้าเพื่อนเดี๋ยวก็กิเลสเรื่องเก่ามันเกิดขึ้นแต่นี่เราตัดออกหมดเลยเราอยู่ตามลาพังไม่รู้จักใครทั้งหมดฉันจังหันเส็ยแล้วก็อยู่มีอะไรก็ทำาามกนเดินยังโงมนั่งภาวนา จากนั้นก็เอามีอะไรก็ทําได้เวลาก็ทำํำจากนั้นภาวนาจิตใจสงบเย็นสบายคิดว่าจะไม่ลงมาแต่หลวงปู่จามเคลนไปกันรับพี่น้องขึ้ น, ไป น, นไปนิมนต์ลงมาไปมนต์นิมนต์หลวงปู่จามเราก็ให้เขาก็บอกว่าครูบาช่วยช่วยบอกหลวงลงด้วยนะขอนิมนต์ท่านลงไปไม่มีพระในนะบ้านห้วยทรายนะถ้าครูบาไม่นิมนต์ช่วยหลวง ลุงลุงคงไม่ลงแน่ๆขอให้คุณบายช่วยบอกช่วยกล่าวประรนราด้วยเถิดช่วยพวกผมด้วยเถิดเออแต่ละโอ้หลวงอามาอยู่ทางเชียงใหม่ก็นานแล้วหลวงอาน่าจะลงไปโปรดญาติพี่น้องอายุพรรษาหลวงอาก็มากแล้วก้าผมน่าจะไปอยู่ทางห้วยทรายพเขามาที่มนเขาก็เป็นคนจนอีกต่างหากรวมรวบรวมเงินกันมา เพจะมาในมูลหลวงอาแต่หลวงอาจะปฏิเสธไม่ไปเดิมัก็ไ ม, ไม่ไม่น่าจะถูกมั้งหลวงอากับผมว่างในมูลหลวงอากลับไปก่อนเดอะอืมอัมอ น, นั้นสิข้าก็คิดเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่รู้จะเอาอยัางไงมันมายุ่งทําไมไอ้นี่เราก็เป็นเราก็เป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันมายุ่งทําไมเออแต่เราก็มาคิดอีกเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะเอาอยัางไงอีกอนเอา้าไปก็ไปนะยัค่อยว่ากันครับผมหลวงอาครับเหมื่อหลวงอาลงไปแล้ว กับผมขออยู่ทางเชียงใหม่ ช, ชั่วระยะหนึ่งกระผมจะตามลงไปกรบผมอฮ้ย ไ, ไม่ได้ไปด้วยกันหน่เราก็เลยได้ไปลงมากับหลวงอาอีกเหมือนกันเหมือนกันเลยลงกันลงตะลงอาไม่ปล่อยเหมือนกันเลยถ้าเราไปก็แก่ก็ต้องไปด้วยกันกันกบเราว่ะหน่อพวกนี้จู่ก็ได้ลงมากับลวงอาได้อยู่กับหลวงปู่แหวนพรรษาเดียวปีประมาณชักปีหนึ่งแต่พอมาถึงบ้านพอมาถึง ม่านห้วยซ้ายเลยก็เลยไปเยี่ยมโยมพ่อแม่แอพอไปเยี่ยมพ่อแม่พอมาถึงแล้พักหนึ่งแล้วก็เลยไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่พ่อแม่ก็แสนดีนะหน้ามานั่งเลียงต่อหน้าไม่มีใครไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นมานั่งสองสองตายายพ่อแม่ท่านก็บอกว่าคูบาที่พ่อแม่อยากจะให้คูบาบวชให้เป็นพระซะก่อน แล้วจะลาสิกขาอย่างไงพ่อแม่ก็ไม่ว่าแต่บัานนี้ครูบาบวชมาได้ 3, สามพันษาแล้วเป็นที่พอใจของพ่อของแม่อย่างมากเพราะนั้นครูบาอยากจะลาสิกขาหรือจะอยู่ในพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าอย่างไงพ่อแม่ยินดีทั้งสองอย่างยินดีทั้งจิตจะให้ดำลงทรงศาสนามากกว่าที่จะลงออกมาลาสิกขาออกมา แต่าถาาบอกคุบาจะลาศิขาจะลาศิกพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรทั้งหมดพราะกูบาปฏิบัติตามที่พ่อแม่ได้อขอร้องแล้วบทภาระของพ่อของแม่แล้วให้เป็นคูบาเป็นอิสระในแนวความคิดนะพ่อแม่ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าบวชอยู่ในศาสนาได้พ่อแม่ก็ยินดีอนุโมทนาสาธุ ก, การเป็นอย่างมาก แต่มาถึงจุดนั้นหลวงพ่อเองช่างดูใจตัวเองดูคารวะแล้วมันรู้สึกว่มันมันมีแต่เรื่องวุ่นวายบวชเป็นผ้าเนี่ยรู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับเปิดทางให้โล่งจะบอกหมุนไปทางนองมองไปทางคารวะมีแต่ขวากมีแต่หนามมีแต่สิ่งปฏิกูลโศกปรกลกห ล, ลงหลังขวางกั้นมองไปฝ่ายพราดเนี่ยรู้สึกว่าเออโล่งสบายใจ เราก็เงียบไม่พูดอืมรับทราบจากนั้นเราก็อยู่มาเรื่อยๆนี่แหละอันนี้แหละคือช่วงชีวิตหนึ่งของการเป็นอยู่อันนี้พูดให้ฟังเพื่อให้ฟังเพื่อให้พระทุกกรงเป็นเพื่อการศึกษาไม่ได้ฟังเพื่อบรร พ, พดเพื่ออ้วกอดอ้วกอดเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ว่าแต่และองค์แต่และท่านเนี่ยมีการเป็นอยู่เป็นอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะรื่มมาตลอดไม่ใช่บางทีเขาไม่อุปสรรคแต่ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบทอบทวนบวกลบคูณหารอันไหนที่จะเกิดประโยชน์มา ก, กควรจะยึดส่วนนั้นเพราะเราเกิดมาเพื่อแ ส, สวงหากำไรไม่ได้เกิดมาเพื่อขาดทุนถ้าเราจะจะขาดทุนจะไปยากอะไร ไปขายยาบ้ายาหมาคันชายอาฟิ่นจักแสนเม็ดท่านเขาก็โทษประหารท่านจะไปยากอะไรทําความชั่วแพ็ปเดียร์ท่า น, นแต่ความดีเนี่สิแหอมันทำแหมคนดีทําดีได้ง่ายทําชั่วยากแต่คนชั่วแหมทำดียากทําชั่วง่ายแหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นพวกเรานําไปคิดดูสิคนคนดีทําไมถึงทําชั่วยากกัน ควรชั่วทำไมจึงทําดียากนี่แหละให้ถามใจของเราใจของเราเป็นยังไงขนาดนี้ใจของเราคิดไปในทางชั่วใช่ไหมถ้าคิดไปทางชั่วนะทําชั่วได้ง่ายนะถ้าคิดถ้าใจของเราเป็นกุศลที่ใจเป็นเหตุมิดเป็นผลแล้วจะทําความชั่วน ย, ยากเพื่ออะไรเพราะจะทําลงไปแล้วทําไปแล้วมันเสียหายนะมันเดือดร้อนนะอมันไม่คุ้มค่านะอย่างเนี้มันจะรู้ได้ด้วยตนเองนะ เออวันนี้ก็ให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายแนวความคิดหนึ่งแนวในแนวความคิดลหลายอย่างแนวความคิดของคนเนี่ยถ้านับด้วยคอมพิวเตอร์บันทึกไว้ทุกแนวความคิดเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมหาศาลฮะจนไม่มีเครื่องจะบันทึกได้แต่วันนี้ก็เนี่ยหลวงพ่อให้แนวความคิดแนวความคิดกลุ่มหนึ่งเพื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาตอนนี้ไปรับพร อ, อ, อนุโมทนา